คณะเทคโนโลยีการจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเห็ดแคลงบ้านนามไม่ไผ่อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชสู่การต่อยอดเป็นข้าวเกลียบเห็ดแคลง อาจารย์สุทธิการแก้วคงบุญอาจารย์คณะเทคโนโลยีการจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยหัวหน้าโครงการพัฒนาศักยภาพการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านนามไม้ไผ่อําเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นผู้นำสาขาการตลาดคณะเทคโนโลยีการจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศีวิชัยร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล น, นามไม้ไผ่พัฒนาอาชีพจากความต้องการของชุมชน ในการแปรรูปเห็ดโดยอาจารย์สุธิการเปิดเผยว่าสาขาวิชาการตลาดได้ร่วมกับอุตสาหากรรมการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล4ีวิชัยบูรณาการนำศาสตร์บริหารธุรกิจเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์รวมถึงการแปรรูปจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ดีๆที่มาจากเห็ดแครงทั้งนี้นักวิจัยได้ประเมินศักยภาพของกลุ่มเห็ดแครงบ้านนามไม้ภัยคือสามารถผลิตได้ และเสนอแนวทางสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์เห็ดแครงแปลรูปพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่โดยวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการผลิตและโอกาสโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชมัยพรเพ่งมากอาจารย์คณะอุตสาหกรรมการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโล ย, ยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราชพื้นที่ทุ่งใหญ่มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ทางด้านวิชาการและวิชาชีพให้ชาวบ้านในการพัฒนาข้าวเกลียบเห็ดแครงเนื่องด้วยชุมชนมีการเปิดดอกเห็ดแครงมาหลายครัวเรือนจนทําให้มีการต่อ ย, ยอดเฉพาะด้านโดยเฉพาะการพัฒนาข้าวเกลียบเห็ดแครงเพื่อความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ชุมชนขยายโอกาสการตลาดจําหน่ายสินค้าชุมชนมากขึ้นเป็นอาหารว่างที่มีคุณค่าทางโภชนาการเพิ่มขึ้นดาริสาตระกูลเง ก, กรายงานทูตพานิษ์ระบุ ตลาดนำเข้ารถยนต์เวียดนามฟื้นโอกาสไทยสดใสเร่งขยายธุรกิจนางสาวพันการเจียมสุชนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศหรือทูตพาณิชย์ น, นักกลงฮานอยเปิดเผยว่าในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเวียดนามนำเข้ารถยนต์ประมาณ 13,000 คันมีมูลค่ากว่า260ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้านี้มีปริมาณเพิ่มขึ้น 2,000 ันคัน โดยปริมาณการซื้อที่เพิ่มขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นผลจากความต้องการซื้อที่เพิ่มขึ้นในช่วงปลายปีโดยคาดการว่าตลาดรถยนต์จะกลับมาคึกคักในอนาคตอันใกล้หลังจากที่ต้องเผชิญกับความยากลำบากจากมาตรการการนำเข้ารถยนต์ที่มีผลบังคับใช้ โดยประเทศไทยและอินโดนีเซียเป็นผู้ส่งออกรถยนต์รายสําคัญไปยังประเทศเวียดนามซึ่งการฟื้นตัวของตลาดรถยนต์ในเวียดนามเป็นโอกาสดีสําหรับผู้ประกอบการและผู้ส่งออกสินค้ายานยนต์และชิ้นส่วนจากประเทศไทยในการขยายตลาดมายังประเทศเวียดนามให้มากขึ้นโดยในช่วง1ิเดือนแรกของปีสองพเวียดนามนำเข้ารถยนต์จํานวน 65,770 คันมีปริมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.6 คิดเป็นมูลค่า 1, นึ่งล้านเหรียญสหร